สิกขาบทที่หถามพระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นผู้ทรงรู้ทรงเห็นทรงบัญญัติปาจิตตีแก่ภิกษุณีผู้จำพรรษาในอาวาสที่ไม่มีภิกษุณนะที่ไหนตอบทรงบัญญัติณกรุงสาวัตถีถามทรงปรารบใครตอบ ทรงปรารบภิกษุณีหลายรูปถามเพราะเรื่องอะไรตอบเพราะเรื่องที่ภิกษุณีหลายรูปจําพรรษาในอาวาสที่ไม่มีภิกษุในสิกขาบทที่6นั้นมีหนึ่งพระบัญญัติบรรดาสมุดฐานแห่งอาบัตหกสมุดฐานเกิดด้วยสมุดฐานสองสมุดฐานเป็นเอรกะโลมะสมุดฐานละ